ธรรมบทแปลเรื่องพระโอนทธานะเทระภาคที่หเรื่องที่หนึ่งรายสิบพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงพรารบพระเทระชื่อโกลทะทานะตรัสพระธรรมเทศนานิว่ามะโวจารุสังกินจิ วุตตปฏิวัตเยุตังทุกขาหิสารัมภะคาถาปฏิทันทาผู้เสยุตังเป็นต้นตอนรูปสตรีติดตามพระเถระไปทุกแห่งดังได้สดับมาจำเดิมแต่วันที่พระเถระนั้นบวชแล้วรูปสตรีรูปหนึ่งเที่ยวไปกับพระเถระ แต่ท่านไม่เห็นรูปสตรีนั้นส่วนมหาชนแลเห็นเมื่อท่านเที่ยวไปบินาบาบอยู่ภายในบ้านพวกมนุษย์ถวายภิกษาทพีหนึ่งแล้วพูดว่าท่านขอรับส่วนนี้จงเป็นของสำหรับท่านแต่ส่วนนี้สำหรับสตรีผู้สายของท่านดังนี้แล้วก็ถวายภิกษาแม้ทพีที่สอง ถามว่าบุรพกรรมของท่านเป็นอย่างไรได้ยินว่าในการแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะภิกษุสองรูปเป็นสหายกันได้เป็นผู้กลุ่มเกลียวกันอย่างยิ่งดุดคลอจากคันมานดาเดียวกันก็ในการแห่งพระพุทธเจ้าผู้ทรงประชนมายุยืนภิกษุทั้งหลาย ย่อมประชุมกันเพื่อประโยชน์แก่การทำอุโบสถทุกๆหนึ่งปีหรือทุกๆ6เดือนคือหนึ่งปีครั้งหนึ่งหรือ6เดือนครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นแม่ท่านสองรูปนั้นก็ออกไปจากที่อยู่โดยคิดว่าเราจะไปสู่โรงอุโบสถตอนเทวดาแกล้งทำพระเถระให้แตกกัน เทวดาผู้เกิดในชั้นดาวดึงผู้หนึ่งเห็นท่านทั้งสองแล้วคิดว่าภิกษุเหล่านี้ช่างกลุ่มเกลียวกันเหลือเกินเราอาจทำลายภิกษุเหล่านี้ได้หรือหนาดังนี้แล้วก็ได้มาในลำดับเวลาที่ตนคิดนั้นแล้วเพราะความที่ตนเป็นคนผ่านในภิกษุสองรูปนั้นเมื่อภิกษุรูปหนึ่งกล่าวว่า ท่านผู้เฒอายุขอท่านจงรอผมอยู่สักครู่หนึ่งผมมีความต้องการถ่ายกุจจระเทวดาจึงได้เดรมิตรเพศเป็นหญิงมนุษย์คนหนึ่งในการที่พระเถระเข้าไปในรระหว่างพุ่มไม้และบอกมาเอามือข้างหนึ่งกลาวมวยผมอีกข้างหนึ่งจัดผ้านุ่งเดินตามออกมาข้างหลังพระเถระนั้นพระเถระ รูปที่ไปทำสรีรกิจไม่เห็นหญิงแต่ภิกษุรูปที่ยืนอยู่ข้างหน้าซึ่งคอยท่านอยู่เหลียวมาแลดูเห็นหญิงที่ทำอย่างนั้นเดินตามออกมาตอนรังเกียจกันด้วยศีลเพศเทวดานั้นรู้ความที่ภิกษุนั้นเห็นตนแล้วก็อันตรตานหายไป ภิกษุรูปที่ยืนคอยอยู่จึงได้พูดกับภิกษุที่ไปทําศรีรกิจในเวลาที่เข้ามาใกล้ตนว่าท่านผู้เมีอา ย, ยุสิงของท่านขาดเสียแล้วภิกษุรูปนั้นจึงกล่าวว่าท่านผู้มีอายุการเห็นปานนั้นของผมไม่มีภิกษุรูปที่ยืนคอยก็เดี๋ยวนี้เองหญิงสาวรุ่นเดินตามออกมาข้างหลังท่านทํากรรมชั่ยนี้ผมเห็นแล้ว ท่านยังพูดปฏิเสธได้ว่ากรรมของผมเห็นปานนั้นไม่มีภิกษุนั้นปานประหนึ่งถูกสายฟ้าฟาดลงที่กระหม่อมกล่าววิงวอนว่าท่านผู้มีอายุขอท่านจงอย่าให้ผมชิบหายเลยกรรมเห็นปานนั้นของผมไม่มีจริงๆก็ผมเห็นด้วยในตาทั้งสองเองจะเชื่อท่านได้อย่างไรดังนี้แล้วก็แต่กันดุดท่อนไม้หักแล้ว ลีกไปแม้ในโรงอุโบสถก็นั่งด้วยตั้งใจว่าเราจะไม่ทำอุโบสถร่วมกับภิกษุนี้ภิกษุผู้ที่ถูกกล่าวหานั้นแจ้งแก่ภิกษุทั้งหลายว่าท่านขอรับจุดดำแม้เท่าเม็ดงาย่อมไม่มีในศีลของผมแม้ภิกษุนั้นก็กล่าวยืนยันอย่างนี้ว่ากำลามกนั้นผมเห็นเอง เทวดาเห็นภิกษุรูปที่คอยนั้นไม่ปรารถนาจะทำอุโบสถร่วมกับภิกษุรูปที่ตุนแกลงจึงหวนคิดว่าเราทำคำหนักแล้วจึงชี้แจงว่าความขาดเหงศีลของผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าย่อมไม่มีแต่ข้าพเจ้าทำคำอันลามกนั้นก็ด้วยสามารถจะทดลองดูขอท่านจงทำอุโบสถ ร่วมกับพระผู้เป็นเจ้านั้นเถิดภิกษุรูปที่คอยนั้นเมื่อเทวดาดำรงอยู่ในอากาศชี้แจงอยู่จึงเชื่อแล้วได้ทำอุโบสถร่วมกันแต่หาได้เป็นผู้มีจิตชิดเชื่อในพระเทวะเหมือนในกาลก่อนไม่บรุรพกรรมของเทวดามีประมาณเท่านี้ก็ในเวลาสิ้นอายุ พระเถรานั้นได้บังเกิดในเทวดาโลกตามสบายภายเทวดาบังเกิดในอเวจีแล้วมกไม่อยู่ในอเวจีนั้นทิ้งพุทธันดอนในพุทธ ป, ประบาทการนี้ได้บังเกิดในกรุงสาวัตถีถึงความเจริญวัยแล้วได้ขอบัรปชาอุปสมบทในพระาศาสนาก็ตั้งแต่วันที่ท่านบวชแล้ว รูปสตรีก็ได้ปรากฏอย่างนั้นนั่นแหละก็ด้วยเหตุนั้นภิกษุทั้งหลายจึงขนานนามท่านว่าโกนท่าฐานะคือมีความโฉดชั่วภิกษุทั้งหลายเห็นท่านเที่ยวไปอยู่อย่างนั้นจึงได้บอกอนาตะบินทิกาเศรษฐีว่าท่านเศรษฐีท่านจงขับไล่ภิกษุผู้ทุศิน ร, รูปนี้ ออกจากวิหารของท่านเสียเพราะความเสียหายจะเกิดขึ้นแก่ภิกษุที่เหลือท่านเศรษฐีท่านผู้เจริญก็พระาศาสดาไม่มีในวิหารอย่างนั้นหรือมีอยู่ท่านเศรษฐีท่านผู้เจริญถ้าอย่างนั้นพระาศาสดาคงจะทรงทราบความภิกษุตัวไหนก็ไปแจ้งแม้แกนางมิสาขาอย่างนั้นเหมือนกัน นางพิสาขาก็ได้ให้คําตอบแก่ภิกษุเหล่านั้นเหมือนกันฝ่ายภิกษุทั้งหลายอันท่านเหล่านั้นไม่รับถ้อยคําของตนจึงได้ทูลแก่พระราชาว่ามาบาภิษภิกษุโชดรูปหนึ่งชื่อโกทัธานะพาหญิงคนหนึ่งเที่ยวไปจะยังความเสียหายให้แก่ภิกษุทุกรูปก็มหบาภิษ ทรงขับไล่ภิกษุนั้นออกจากเว่นแคว้นขอ ง, รงรพระองค์เสียพระราชากว่าภิกษุนั้นอยู่ที่ไหนเล่าพวกภิกษุอยู่ในวิหารมหาปิฏก็อยู่ในเสนาสนะหลังไหนอยู่ในเสนาสนะชื่อนอนถ้าเช่นนั้นขอรัตนาพระคุณเจ้าไปเถิดข้าพเจ้าจะสั่งให้จับภิกษุรูปนั้นตอนพระราชาเสด็จ ไปสอบสวนพระโกนทาฐานะในเวลาเย็นเจ้าเธอเสด็จไปวิหารรับสั่งให้พวกราชบุรุษัล้อมเสาสนานันไหวเสด็จผินพระพักตรงที่อยู่ของพระเทระพระเถระได้ยินเสียงเอะจึงได้ออกจากวิหารที่อยู่ยืนอยู่ที่หน้ามุกพระราชาได้ทอดพระเนตร เห็นรูปสตรีแม้นั้นยืนอยู่ข้างหลังของพระเทระพระเทระทราบว่าพระราชาเสด็จมาจึงขึ้นไปอย่างวิหารนั่งอยู่แล้วพระราชาไม่ทรงไหว้พระเทระแต่ไม่ได้ท้าพระเนตรเห็นแม้สตรีนั้นเท้าเธอทรงตรวจดูที่ซอกประตูบ้างที่ใต้เตียงบ้างก็มไม่ได้ทรงประสบเลย จึงตรัสกับพระเตราบา่าท่านขอรับผมได้เห็นสตรีคนหนึ่งในที่นี้เขาไปเสียที่ไหนอรมภาพไม่เห็นเลยมหาะพิตรเมื่อกี้นี้ข้าพระเจ้าเห็นสตรียืนอยู่ข้างหลังท่านภิกษุรูปนั้นก็ทูลยืนกรานว่าอรมภาพไม่เห็นเลยมหาะพิตรระราชาทรงดำรีว่านี้มันเป็นเรื่องอะไรกันนะ จึงได้ตรัสว่าก่อนนิมนต์ท่านออกไปจากที่นี่ก่อนเมื่อพระเทระออกไปจากที่นั้นยืนอยู่ที่หน้ามุกสตรีก็ได้ยืนอยู่ข้างหลังของพระเทระอีกพระราชาทอดพระเนตรเห็นสตรีนั้นแล้วจึงเสด็จขึ้นไปชั้นบนอีกพระราชาแม้ทรงตรวจดูสตรีนั้นในที่ทุกแห่งอีกก็ไม่ได้ทรงประสบ จึงตรัสถามพระเถระนั้นซ้ำอีกว่าสตรีนั้นมีอยู่ในที่ไหนครับอธรรมภาพไม่เห็นสตรีนั้นมาปะพิษท่านโปรดบอกเถิดเมื่อกี้นี้เองผมเห็นสตรียืนอยู่ข้างหงของท่านขอถวายพระพรหมาปะพิษแม้หมาชนก็พูดว่าสตรีเที่ยวไปข้างหลังอธรรมภาพส่วนอธรรมภาพไม่เห็นสตรีนั้นเลยตอน พระราชาทรงสันนิฐานว่าเป็นรูปเทียมพระราชาทรงกาหนดว่านั่นเพิ่งเป็นรูปเทียมแล้วจึงรับสั่งกับพระเทระนั้นว่าท่านขอรับขอท่านจงลงไปจากที่นี้ดูทีเมื่อพระเทระลงไปยืนอยู่ที่หน้ามุกก็ได้ทอดพระเนตรเห็นสตรีนั้นยืนอยู่ที่ข้างหลังของพระเทระนั่นอีก กรันเสร็จขึ้นไปข้างบนก็กลับไม่ได้ทรงทอดประเนรเห็นถ้าเธอทรงสักถามพระเทระอีกเมื่อท่านทูลยืนกรานคำเดียวว่าอธรมภาพไม่เห็นก็ทรงสันนิฐานได้ว่านั่นเป็นรูปเทียมแน่จึงตรัสกับพระเทราว่าท่านก็รับเมื่อสังกิเลสคือเครื่องเศร้ามองเห็นป่านนั้น เทีติดตามท่านไปข้างหลังอยู่คนอื่นใครๆจะไม่ถวายพิกษาแก่ท่านท่านจงเข้าไปที่พระราชวังของข้าพเจ้าเนืองนิดข้าพเจ้าจะบำรุงท่านด้วยปัจจัยซีท่งนิมนต์พระเทราแล้วเพื่อเสด็จหลีกไปฝ่ายพิกษุททั้งหลายยกโทษของพระราชาว่าท่านผู้มีอายุดูสิกิริยาของพระราชาผู้ลามก เมื่อพวกเราทูลว่าพระองค์ทรงขับไล่ภิกษุนั้นออกจากวิหารเสียก็เสด็จมากลับนิมนต์ภิกษุรูปนั้นด้วยปจัจจัยศีแล้วก็เสด็จกลับภิกษุทั้งหลายก็กล่าวกับพระโกนทัฐานะเทระนั้นว่าเฮ้ยไอคนทุศีลบัด น, นี้พระราชากลายเป็นคนชั่วแล้วแม้พระเถระนั้น ในการก่อนไม่อาจจะกล่าวอะไระไรกับภิกษุทั้งหลายได้ในบัดนี้ก็จึงกล่าวตอบทันทีว่าพวกท่านเป็นคนทุศีนพวกท่านเป็นคนชั่วพวกท่านพาหญิงเที่ยวไปภิกษุเหล่านั้นจึงได้ไปกราบทูลกับพระาศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระโกนท้าทานะอันข้าพเจ้าทั้งหลายว่ากล่าวแล้ว กลับกล่าวด่าต่างๆเป็นต้นว่าแม้พวกท่านก็เป็นผู้ทุศีนตอนพระาศาสดาทรงไต่สวนทั้งสองฝ่ายพระาศาสดารับสั่งให้เรียกพระโกนท่าทานะนั้นมาแล้วตรัถามว่าภิกษุกล่าวว่าเธอกล่าวอย่างนั้นจริงหรือพระเถระจริงพระชจคค่า ขดพระเหตุไรเธอจึงกล่าวอย่างนั้นพระเหตุที่ภิกษุเหล่านั้นกล่าวกับข้าพระองค์ภิกษุทั้งหลายพระเหตุไรแม้พวกเธอจึงกล่าวกับภิกษุนี้อย่างนั้นขค่แต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์เห็นหญิงเที่ยวไปข้างหลังภิกษุนี้จึงกล่าวอย่างนั้นภิกษุนยายยะว่าภิกษุเหล่านี้ เห็นหญิงเที่ยวไปกับเธอจึงกล่าวขึ้นอย่างนั้นส่วนตัวเธอไม่ได้เห็นเลยเหตุไฉนจึงกล่าวกับภิกษุเหล่านี้อย่างนั้นเล่าผลนี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยทิฏฐิลาโมกของเธอในการก่อไม่ใช่หรือเหตุไรในบัดนี้เธอจึงถือทิฏฐิลาโมกอีกเล่าเมื่อพวกภิกษุทูลถามว่า แต่พระองค์ผู้เจริญก็าภิกษุนี้ได้ทำกรรมอะไรในปางก่อนพระเจ้าข้าในที่นั้นพระศาสดาจึงได้ตรัสบรุรพกรรมของท่านแก่ภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสกับภิกษุโกนทัศนะดังนี้ว่าภิกษุโดยอาศัยคำอันลามงค์นี้จึงถึงบุราการอันแปลกนี้แล้วบัด น, นี้ การที่เธอถือทิฐิอันลามุกเห็นป่า น, นี้อีกไม่สมควรเธออยากล่าวอะไรอะไรกับพิสูจน์ทั้งหลายอีกจงเป็นผู้ไม่มีเสียงเช่นกังสดานอันเขาตัดขอบปากแล้วเมื่อทำอย่างนั้นจะเป็นผู้ชื่อว่าบรรลุพระนิพพานเรื่องนี้แล้วเมื่อจะทรงเสบอนุสนธิแสดงธรรม จึงได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่านี้ว่าเธออย่าได้กล่าวคำหยาบกับใครๆชนเหล่าอื่นถูกเธอว่าแล้วจะพึ่งว่าตอบเธอเพราะว่าถอยคำแข่งดีเป็นเหตุให้เกิดทุกการทำร้ายตอบพึ่งถูกต้องเธอถ้าเธอไม่ยังตนให้วันไหวดุดขังสะาน ถูกตัดขอบปากแล้วเธอนี้จะเป็นผู้ถึงนิพพานความแข็งดีย่อมไม่มีแก่เธอบาลีว่ามาโวจะพระสังกัญจิวุตตาปฏิวัตยุตังทุกขาหิสารำภากถาปฏิทันทาภุสัยยุตังสเจนะเรสิ อ ต, ตานังกาโซอุปะะโตยถาเอสะปะโตตินิพพานังสารัมโพเตนะวิชติควรบรรดาคำหล่านั้นคำว่ากินจิแปลว่ากับใครๆหมายความว่าอย่าได้กล่าวคำหยาบกับใครๆคือแม้แก่บุคคลผู้หนึ่งคำว่า วุตาแปล ว, ว่าถูกเธอว่าแล้วหมายความว่าคนเหล่าอื่นถูกเธอกล่าวว่าเจ้าพวกทุศีลพึงกล่าวตอบเธอ บ, บ้างอย่างนั้นเหมือนกันคำว่าสารัมภาถาแปล ว, ว่าถ้อยคําแข็งดีหมายความว่าขึ้นชื่อว่าการกล่าวโต้เถียงกันเกินกว่าเหตุนั้น ให้เกิดทุกข์คำว่าปฏิทันธาคือการทำร้ายตอบหมายความว่าเมื่อเธอประหารผู้อื่นด้วยอาจยาทั้งหลายมีอาจยาต่างกายเป็นต้นอาจยาตอบเช่นนั้นแหละพึ่งตกเหนือกระหม่อมของเธอคำว่าซาเจเนเรศิแปลว่า ถ้าคนยังตนไม่ให้หวันไหวหมายความว่าถ้าเธอจักอาจทำตนไม่ให้หวันไหวได้ใสขอรว่ากังโ s อุปหโตย a t แปลว่าเหมือนกังสดานถูกตัดขอบหมายความว่าเหมือนกังสดานที่เขาตัดขอบปากทำให้เหลือแต่พื้นวางไว จริงอยู่ขังงดาลเช่นนั้นแม้บุคคลตีแล้วด้วยมือเทา้าหรือตานไม้ก็ย่อมไม่ดังคำว่าเอสะปะโตติแปลว่าเธอนี้จะเป็นผู้ถึงไม้ความบาแต่เธอจะอาจเป็นผู้เห็นปานนั้นได้ไสเธอนั่นบำเพ็ญปฏิปตนี้อยู่ เป็นผู้ไม่ประมาทแล้วในบัดนี้ชื่อว่าปรลุพระนิพพานข็อว่าสารมโพเตนะวิชติแปลว่าความแข่งดีย่อมไม่มีแก่เธอหมายความว่ากว่ามเมื่อเป็นอย่างนั้นแม้ความแข่งขันกันมีอันกล่าวทำให้ยิ่งกว่ากันเป็นลักษณะเป็นต้นอย่างนี้ว่า เจ้าเป็นผู้ทุศีนว่าพวกเจ้าเป็นผู้ทุศีนดังนี้ย่อมไม่มีคือจะไม่มีแกเธอเลยในการจบเทศนาชนเป็นนน้นมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นแล้วแม้พระโกนทาทานาเทระได้ตั้งอยู่ในพระโอวาทที่พระศาสดาประทานแล้ว ก็ได้บรรลุพราตผลต่อการไม่หนาแนกแผ่นได้เหาะขึ้นไปในอากาศจับสลากเป็นครั้งแรกนังนี้แหละเรื่องพระกวนทัานะเทระ